พอได้ไหมใครมีคำถามอะไรบ้างเอา อ, อย่างนี้ดีกว่ามีคำถามอะไรไหมตอนต้นชั่วโมงพระถามโยมไปแล้ว อ, อตอนนี้ให้โอกาสถามพระบ้างมีไหมหรือตั้งตัวไม่ทันจิตที่ที่คิดไม่ดีแล้วไม่มีสติรู้เนี่ยนะมันจะพาให้ผิดต่อเนื่องยาวนาน เช่นคิดไม่ดีกับคนนี้แล้วไม่มีสติรู้มันก็จะคอยคิดไม่ดีกับคนนี้เห็นหน้าแล้วก็คิดคิดคิดคิดคิดเคยเคยรู้สึกไหมว่าเห็นหน้าตาคนนี้หรือใหญ่คนนี้แล้วรู้สึกเหม็นหน้ามากเลยทั้งที่เขาก็ผัดแป้งมาหอมนะอแต่เรารู้สึกเหม็นหน้าเขามากเลยมีไหมเพราะไม่รู้ทันเพราะไม่รู้ทันมันจึงสะสมสะสมเข้าไปเซฟข้อมูล เป็นปฏิฆานุสัยไปเรื่อยๆเห็นหน้าปุ๊บฟุ้งขึ้นมาอีกแล้วเห็นหน้าปุ๊บตัวปฏิฆาเนี่ยฟุ้งขึ้นมาอีกแล้วกลายเป็นโทสะถ้าไม่รู้สันก็กลายเป็นโทสะถ้าไม่รู้สันอีกก็จะคิดหาวิธีที่จะกำจัดอยู่เสมอเหมือนอิตาเศรษฐีคนหนึ่งนะเนี่ยเศรษฐีคนนี้เนะี่ยเขาไปเศรษฐีมาก่อนเนี่ยก็จะมีมีตังมากได้รับการแต่งตั้งเลยนะมีมียศ เป็นเศรษฐีประจําเมืองจะมีภารกิจอย่างหนึ่งว่าต้องเข้าเฝ้าพระราชาเป็นประจำครั้งหนึ่งก็ไปเข้าเฝ้าพระราชาผ่านผ่านก็เรียกผ่านอะไรท่านโหราจาร์ท่านโหราจา ร, าน ร, าจาร์นั่งอยู่ที่ในวังก็ถามท่านโหราจาร์ว่าท่านอาจารย์วันนี้มีเหตุการณ์อะไรบ้างมีเหตุการณ์อะไรบ้างคล้ายๆกับว่าอยากดูดวงเหรเนาะ วันนี้คือไม่เข้าไปในวังแล้วก็ไม่ค่อยมีธุระอะไรอะ่ะก็เจอท่านโหราจารย์แนละ้วก็อยากจะถามอะไรบ้างนิดหน่อยท่านนั่นเองท่านหรวราชาก็ดูคํานวณไปคํานวณมาอืมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกแต่ว่าเด็กที่เกิดวันนี้นะจะเป็นมหาเศรษฐีในอนาคตเลอะเลอะเลอะนึกถึงเมียตัวเองเลยกําลังท้องแก่เต็มที่เลยสงสัยจะเกิดวันนี้ไม่นอ้อถ้าเป็นปัจจุบันนะจะไปเข้าโรงพยาบาลแนะ่าผ่าเลยใช่ไหม มาสมัยก่อนไม่มีคลอดธรรมชาติปรากฏว่ากลับไปดูที่บ้านเมียยังไม่คลอดเมื่อก่อนก็คลอดที่บ้านกันนะอาตมาได้คลอดหน้าห้องนอนเลยคลอดที่บ้านแสดงว่าอยู่ยุคโบราณยุคนี้ก็คลอดที่โรงพยาบาลกันนะไปดูที่บ้านเมียไม่คลอดก็เลยสั่งคนไป สืบดูว่าวันนี้เนี่ยเมืองนี้มีใครเกิดบ้างความเศรษฐีนะมันมีบริวารเยอะสามารถทำได้เหมือนกันนะก็ได้รู้ว่ามีมีลูกรู้สึกจะเป็นลูกของนางโสเพณีคนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่อยากได้โสเพณีเนี่ยมีลูกแล้วไม่อยากได้ไม่อยากเลี้ยงโดยเฉพาะลูกนั้นเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเลี้ยงเอาไว้ สืบอาชีพตัวเองต่อไปลูกเป็นผู้ชายแล้วไอ้คนของเศรษฐีคนนี้ก็ทราบว่านางสสเภณีคนนี้เนี่ยคลอดลูกในวันนั้นก็ไปบอกเศรษฐีเศรษฐีรู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายอ๋อตรงตามที่โหราจาร์บอกเลยไปซื้อมาซื้อถูกๆเพราะเขาอยากขายอยู่แล้วซื้อถูกมาเก็บเอาไว้เลี้ยงให้ดีใจคิดว่ารอดูว่า เมียเราเนี่ยจะคลอดเป็นลูกหญิงหรือลูกลูกชายลูกสาวหรือลูกชายถ้าคลอดเป็นลูกสาวจะจับแต่งงานกันนะเพราะไอ้นี่จะต้องเป็นเศรษฐีแน่ๆลูกเราก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรคุณหญิงคุณนายเป็นเศรษฐีนีนะแต่ปรากฏว่าพอแต่ถ้าลูกเราเป็นผู้ชายจะฆ่าไอ้นี่ใชไอ้เด็กที่ซื้อมาเนี่ยจะฆ่าทิง้งใชคิดไม่ดีเลยใช่ไหม ถ้าออกมาเป็นลูกสาวก็ดีไปไม่ต้องฆ่าแต่ถ้าออกมาเป็นลูกชายเขาเตรียมแผนที่จะทำผิดศีลแล้ว น, นะปรากฏออกมาเป็นลูกชายออกมาเป็นลูกชายก็ดาเนินการตามแผนไม่มีสติเลยนะคิดจะฆ่าเขาน่ยไม่มีสติแล้วนะแผนแรกแผนแรกเป็นทําไงไม่รู้ประมาณว่าทําหลายครั้งครั้งแรกเนี่ยประมาณว่าไปวางไว้ที่หน้าคอกวัว ให้วัวกะวะ่าวางไว้เดี๋ยววัวออกจากคอกมาก็เหยียบตายปรากฏตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยวัวหัวหน้าฝูงจะอยู่ตอนท้ายคอยไล่วัวลูกฝูงเนี่ยออกแต่วันนั้นเนี่ยวัวหัวหน้าฝูงเนี่ยมายืนอยู่หน้าปากคอกเลยไม่ได้กินหญ้าปากคอกด้วยนะเห็นเด็กแล้วก็ยืนค่อมไอว้วัวลูกฝูงก็ไม่ออกออกไม่ได้เพราะหัวหน้าฝูงไม่ออกยืนคอมเด็กเอาไว้ คนเลี้ยงวัวก็มาดูทําไมวัวไม่ออกมาไม่เห็นเด็กก็เด็กน่ารักเด็กนี่มีบุญมาก่อนน่ารักเห็นแล้วก็รักเหมือนลูกตัวเองก็ามาโอ้ลูกฉันได้ลูกแล้วเอาลูกนั้นมาเลี้ยงไอ้คนที่แอบไอ้คนที่เศรษฐีใช้ให้มาวางเด็กทิ้งไวนะ้แล้วก็แอบดูอยู่เห็นว่าอ้าวมันไม่ตายก็กลับไปรายงานเศรษฐีเศรษฐีก็ให้ไปซื้อใหม่ๆซื้อสองทีแล้วนะออื เด็กคนเดียวกันซนะื้อสองทีแล้วกลับมาก็คิดวิธีจะทำยังไงให้เด็กคนนี้ตายโดยที่ตํารวจจับไม่ได้ <c ười> คือคิดหาวิธีที่จะฆ่าอย่างเนียนๆ <c ười> อย่างเนียนๆโดยที่ตํารวจสืบหาไม่ได้ว่าคนร้ายคือใครวางไว้ให้บัวเหยียบจะไปจับบัว ท, ทําโทษก็ไม่ได้ <c ười> เพราะว่า <c ười> ดูเหมือนว่าเป็นเหตุสุดวิสัยประมาณนี้ คราวนี้ทำยังไงให้เด็กมันตายแบบไม่จับฆาตกรไม่ได้เอาเด็กไปวางไว้บนทางทางทางที่เกวียนพ่อค้าจะเดินเดินทางคราวนี้ไอท้ทีแรกเนี่ยวัวอย่างเดียวไม่ตายคราวนี้เอาทั้งวัวทั้งเกวียนแล้วไ้ที่ถนนด้วยเอาไปวางตั้งแต่เช้ามืดกะว่าพ่อค้าที่เดินทางมาค้าขายต่างๆเนี่ยด้วยความรีบที่จะต้องไปค้าขายเนี่ยนะจะต้องควบ วัวควบเกวียนเนี่ยแล้วก็เหยียบเด็กคนนี้ตายปรากฏว่าพ่อค้าคนแรกที่ออกมาก็พาวัวก็ลากเวียนมาเรื่อยๆพอถึงเด็กวัวก็ไม่เหยียบเด็กนะพอข้ามเด็กไปแล้วก็ยืนค่อมไม่เดินต่อพ่อค้าก็ฟาดฟาดฟา ด, าดวัวก็ไม่เดินเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทําไมมันนิ่งก็ลงมาดูปรากฏว่ามีเด็กอยู่ความน่ารักของเด็กพ่อค้าคนนั้นก็โอ้ยฉันจะเลี้ยงเด็กคนนี้เป็นลูก เป็นเป็นบุญของเราเหลือเกินได้เด็กมารับเด็กคนนี้เป็นลูกไอ้คนของเศรษฐีก็ดูอ้าวไม่ตายกลับไปราย ง, งานเศรษฐีเศรษฐีก็ไปซื้อมาใหม่สามทีแล้วนะหลายครั้งจำจ ำ, จำไม่ค่อยได้รายละเอียดนะอีกครั้งหนึ่งประมาณว่าให้ไปทิ้งในป่าช้าในป่าช้าของอินเดียเนี่ยมันจะมีหมาป่า มาหากินก็ประมาณว่าถ้าหมาป่ามามามาหากินแล้วเนี่ยไปเจอเด็กมันจะกัดกินเด็กนี่ทําความเพียรในการฆ่าเด็กนะปรากฏหมาป่ามายังมาไม่ถึงมีแพะมาก่อนแพะมาเนี่ยเห็นเด็กเป็นแพะตัวเมียด้วยนะมายืนค่อมเด็กเด็กนี้ก็ดูดนมแพะอร่อยไปเลย ไอ้คนเลี้ยงแพะก็เอ๊ะแพะหายไปไหนเนี่ยหมาป่ามาไม่ถึงนะแพะมาก่อนคนเลี้ยงแพะมาอ้าวเด็กดูดนมแพะอยู่เด็กน่ารักจังรับเลี้ยงเด็กเป็นลูกของตัวเองไอ้คนที่แอบดูอยู่คนของเศรษฐีก็อ้าวเด็กไม่ตายหมาไม่มามาแต่แพะ <c oughs> ไปบอกเศรษฐีเศรษฐีซื้อกลับมาอีกครั้งที่สี่อีกครั้งหนึ่งทงาําไงดีใช้วิธีแบบตีทิ้งๆแบบ วางๆเอาไว้เนี่ยไม่ตายสักทีฮันนี้บอกให้คนของเศรษฐีไปทิ้งเหวไปทิ้งเหวเขาเนี่ยตายแน่ประมาณนั้นนะไปทิ้งปรากฏเหวนั้นมันมีต้นไผ่แล้วต้นไผ่เนี้ยจะมีเถาวันขึ้นคลุมเคยเห็นไหมเวลาเถาวันขึ้นคลุมหนาๆเลยนะมันนุ่มมันนุ่มมากเลยเวลาเด็กลงไปเนี่ย มันเหมือนตกล ง, ลงในบอ่อเด็กนั้นไม่ตายร้องอุแออแออยู่บนบนยอดไผ่นั่นและไอ้ข้างล่างเหวเนี่ยใต้ต้นไผ่นั่นน่ะมีคนที่เป็นช่างจักสารมาหาต้นไผ่เพื่อไปสารเป็นตะกาตะบุงได้ยินเสียงเด็กเอ๊ะเด็กอยู่ที่ไหนก็หาหาได้มาก็โอ้เด็กอยู่ตรงนี้เองนำเด็กนั้นลงมาแล้วก็เลี้ยงเป็นลูก ไอ้คนทิ้งก็ โ, โหแน่มากนะมันก็คงดูอยู่ตึงบนยอดเหวปากเหวนะ่าเอาเด็กไม่ตายมีคนเอาไปเลี้ยงอีกแล้วกลับไปราย ง, งานเศรษฐีเศรษฐีสั่งให้ไปหาแล้วก็ไปซื้อมาใหม่ไม่ฆ่าเองเน้นะหาวิธีฆ่าโดยที่ว่าทำยังไงมาไม่ถึงจองบงการอ่ะทํำยังไงที่ว่าคนไม่รู้ว่าเศรษฐีเมืองนี้เป็นฆาตกรนึกการฆ่าแล้วนึกไม่ออกหาวิธีการฆ่าหลายครั้งนึกไม่ออก ระหว่างที่นึกไม่ออกนั้นเด็กก็โตไปเรื่อยๆ mm hmm. เด็กก็โตคู่กันมานะลูกเศรษฐีจริงๆก็เป็นน้องไอ้ไอ้ตัวคนที่เกิดมาเนี่ยชื่อโคสกะตั้งชื่อว่าโคสกะโคสกะที่เกิดเกิดขึ้นมาก็เป็นพี่ไอ้ลูกเศรษฐีก็เป็นน้อง mm hmm. ลูกเศรษฐีต้องให้การศึกษาเต็มที่แต่โคสกะเนี่ยไม่ให้เรียนอะไรเลย mm hmm. เพราะว่ากูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงนี mm ่แหละให้เรียนก็เสียค่าโราเรียนเปล่าๆ <laughs> มีวันหนึ่งนึกขึ้นได้เออเรามีเพื่อนเป็นช่างปั้นหม้อเออน่าจะน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่จะฆ่าแล้วก็อะไรเผาไปเลยไม่มีหลักฐานนะก็เขียนจดหมายเขียนจดหมายบอกว่าลูกคนนี้เป็นลูกอากตันยูท่านจงเราเรากับท่านเนี่ย เรามีบุมคุณกับท่านมานานครั้งนี้เราให้โอกาสท่านใช้หนี้เราด้วยการเนียจัดการลูกอกักตันยูคนนี้ทีจัดการหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็จับเข้าเตาเผาไปเลยทําได้แล้วเนี่ยนอกจากจะยกหนี้ให้แล้วจะให้รางวัลด้วยก็เขียนจดหมายแล้วก็พับแล้วก็เรียกโคสะกะมาโคสะกะมานี่รู้จักบ้านนั้นไหมช่างปั้นหมอ้อกวนนะัรู้จักครับ เอานี่นะเอาจดหมายไปให้ช่างปั้นหม้อคนนั้นนะไม่กลัวว่าจะเปิดอ่านด้วยเพราะมันอ่านไม่ออกไม่ได้เรียนหนังสือไม่ให้เรียนหนังสืออ่านไม่ออกอ่านหนังสือไม่ออกรีบไปเลยนะห้ามห้ามทะเลถลายที่ไหนห้ามให้ใครไปด้วยต้องไปเองเท่านั้นกําชับอย่างนี้นะต้องไปเองเท่านั้นยื่นให้กับมือเขานะครับผมได้ได้ได้ครับพ่อเรียกพ่อด้วยนะได้ครับพ่อ ไปวิ่งตื้อไปผ่านลานเล่นของเด็กลูกเศรษฐีกําลังเล่นด้วยความเป็นลูกเศรษฐีนะถูกบอกว่าประงมเล่นอะไรก็ไม่เคยเก่งหรอกเล่นแพ้โคศกะมาเนี่ยโคศกะไม่เรียนหนังสือเล่นอย่างเดียวเล่นเก่งเล่นชนะไอ้ลูกเศรษฐีเลยบอกพี่พี่มาที่ก่อนมาเล่นอันนี้ทีคงจะเล่นลูกหินน้วนะมาเล่นลูกหินให้ให้น้องทีน้องเล่นแพ้เสียแต้มไปเยอะแล้ว มาเล่นให้พี่เอเล่นเล่นให้น้องถิไม่ได้พ่อสั่งให้มาไปทุระทางนู้นน้าพี่เล่นได้หน่อยน้องเสียเยอะแล้วเดี๋ยวพ่อสั่งอะไรเดี๋ยวน้องไปทำให้ไม่ได้พ่อสั่งไว้ว่าต้องไปเองน่าทำแทนกันได้ <c oughs> ไม่เป็นแฟนก็ทำแทนกันได้ <c oughs> <c oughs> ทำแทนได้น้องก็กำชับอย่างนี้ก็อ้าวแกจะแกจะไปก็ไปเดี๋ยวฉันจะเล่นให้แล้วเล่นก็เล่นชนะด้วยนะ เล่นชนะได้แต้มคืนมาได้ของคืนมาเล่นจนเย็นแล่น้องก็ไม่มาสักทีก็เลยกลับไปกลับไปบ้านสุธีอ้าวไหนสั่งให้ไปหาช่างปั้นหม้อไมใช่เหรอครับแต่ผมเดินไปถึงวิ่งไปถึงลานหน้าบ้านเห็นน้องเล่นลูกหินอยู่น้องบอกว่าให้เล่นแทนทีผมก็บอกแล้วว่าไม่ได้พ่อสั่งให้ไปเองน้องบอกว่า เขาเป็นเขาก็เป็นลูกเหมือนกันย่อมทำหน้าที่นี้ของลูกได้เหมือนที่สั่งให้พี่ไปนั้นทำแทนกันได้ <c oughs> น้องไปแล้วฮะเสรษฐีอุทานเลยไอ้ยาเล ย, เยไม่ได้เชเนอะเป็นอินเดียอินเดียต้องอุทานเลยไม่รู้เหมือนกันฮัทชานี่เราบรรยากาศแบบจีนเกินไปหรือเป <c oughs> ล่าองอุทานเลยนะตายแล้วลูกฉันตายแล้ว ร้องไห้ไปตลอดเส้นทางนะวิ่งตื้อไปหาที่ช่างปั้นหม้อช่างปั้นหม้อเห็นเศรษฐีวิ่งมาก็ยิ้มล่าเลยสําเร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับรางวัลครับสายหน้าดอกแดกด้วยรางวัลขอรางวัลด้วย <c oughs> เศรษฐีบอกโอ้ย่าทําลูกชัดอย่าทำลูกชัด <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับลูกอาตันอยู่คนนั้น <c oughs> ผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับไม่มีหลักฐานอะไรเลยเลยครับเผาเรียบร้อยแต่ไม่เป็นพระธาตุตอนนั้นเอง เสียใจมากเลยเศรษฐีเสีสยใจมากคุ้นคิดคิดอยู่นานจนเด็กโตขึ้นไปอีกไอเด็กตอนนั้นประมาณสักเก้าขวบสิบขวบนะจนเด็กโตประมาณสิบหกขวบสิบหกปีเป็นหนุ่มเพิ่งคิดออกว่าเฮ้ยฉันจะฆ่าแกด้วยวิธีนี้ก็ได้ก็คือส่งให้ไปหาเพื่อนไกลๆให้เพื่อนคนนั้นฆ่าให้ไปต่างเมืองให้ไปต่างเมือง เวลามีข่าวอะไรมันจะได้ไม่ถึงที่นี่นะบอกว่าเขียนจดหมายอีกวิธีเดิมนะเขียนจดหมายว่าไอ้คนนี้เนี่ยเป็นลูกอากตันยูท่านเป็นเพื่อนคนนั้นเนี่ยเป็นเศรษฐีที่จัดการทรัพย์สินให้ด้วยนะเป็นผู้จัดการทรัพย์สินให้เป็นเศรษฐีที่แบบมีเงินน้อยกว่าสั่งไปว่าให้เอาจดหมายนี้ไปหาเพื่อนพ่อที่เมืองนั้นนะ โคศกาก็รับไปอ้าวแล้วพ่อไม่ให้สเสบียงอะไรเลยเหรอคือพ่อเนี่ยไม่ลงทุนเลย <c oughs> คิดอย่างเดียวจะให้มึงตาย <c oughs> จะให้โคศกะตายเนะี่ยไม่คิดจะลงทุนก็คิดว่ายังไงยังไงมันไปตายแน่แแล้วเนี่ยไม่อยากจะลงทุนอะไรมากไม่อยากจะเสียตังกับโคศกานี้มากก็าเ <c oughs> ลยบอกว่าไอ้ระหว่างทางเนี่ยนะมีคนของเราอีกคนนึงแกไปพักที่บ้านนั้นนะไปขอข้าวเขากินแล้วเดินทางต่อนอนเข้าคืนนึง แสดงว่าไปไกลเหมือนกันนะไปไกลต้องไปค้างคืนแล้วก็ไปต่อก็กดไปรู้จักไหมรู้จักบ้านนะรู้จักครับไปไปถึงก็ไปถึงบ้านหลังนั้นก็เคาะประตูผมมาจากเศรษฐีคนนั้นครับผมชื่อโกศากาครับผมเป็นลูกครับมาขอพักบ้านนี้1คืนครับพอรายงานอย่างนันนะเศรษฐีบ้านนอกคนนั้นก็อ๋อเป็นคนของเศรษฐีเมืองใหญ่เหรออ๋อได้ได้ไดมาพักมาบ้านม า, ม า, มาลูกสาวมีลูกสาว ที่นั่นลูกสาวเนี่ยอดีตเป็นภรรยาของของโคสกะกานี่แหละพอได้ยินชื่อโคสกะกัเท่านั้นเองความที่มันผูกพันกันมานานนะได้ยินชื่อก็รู้สึกสถานใจรู้สึกสถานใจขึ้นมาบอนี่แหละชายหนุ่มที่ฉันหมายปองรู้สึกเลยว่าโอ้โหความรักท่วมทนฉันจะต้องไปเจอไอ้หนุ่มคนนี้ให้ได้เ้านอนที่ไหน อยู่ห้องไหนสั่งคนใช้ไปว่าจัดห้องนอนให้ดีน ะ, นะปรากฏว่าโคสกะก็เดินทางมาไกลเพลียก็นอนหลับไปลูกสาวก็แอบไปดูด้วยความสนใจหนุ่มคนนี้มากก็เลยแอบไปดูเห็นกำลังนอนหลับอยู่หลับไปแล้วก็เห็นเน็บอะไรอยู่ข้างๆจดหมายมีจดหมายอยู่ข้างๆก็โอ้จดหมายอะไรจดหมายหญิงที่ไหนหรือเปล่าเนี่ย กิคิดเลยนะว่าเขามีแฟนหรื อ, อยังประมาณนี้นะแอบเปิดดูเปิดดูตายแล้วมันเป็นจดหมายพาตัวเองไปตายอะ่ะจดหมายเนี่ยคือมีคําสั่งว่าให้ฆ่าโคสะกะแล้วก็ทําลายหลักฐานทิ้งซะแล้วมารับรางวัลทาเสร็จแล้วรายงานเราแล้วเราจะให้รางวัลอ้าวนี่มันจดหมายฆ่าตัวฆ่าไอ้เจ้าคนคือโคสะกะเนี่ยคนถือหนังสือเนี่ยนึกเลยว่าโอ้โห หนุ่มคนนี้มันโง่จังเลยพกพกความตายติดตัวมาจดหมายนี่มันจดหมายทำให้ตัวเองจะต้องตายไม่เป็นไรฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันจะช่วยเธอนะฉันจะช่วยเธอเพราะเป็นหนุ่มในดวงใจของฉันแล้วเขียนจดหมายใหม่เขียนประมาณว่าท่านเนี่ยเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของเราเราเห็นผลงานของท่านมานาน เรามีความไว้เนื้อเชื่อใจท่านมากนะจึงมอบหมายให้ท่านจัดงานใหญ่ให้กับเราอีกสักครั้งหนึ่งคืองานวิวาของบุตรของเราดูสิเสร็จเสร็จสาวคนนั้นไปแล้ว <laughs> จัดเปงานวิวาให้บุตรของเราที <laughs> คนที่เหมาะสมที่สุดในสายตาของเราไม่มีใครเลยนอกจากบุตรสาวเศรษฐีเ <laughs> มืองเนี้ยเมืองเนี้ย <laughs> ชี้ไปเลยนะเสร็จแล้วก็พับ จัดการเสร็จแล้วรายงานเราด้วยนะเราจะให้รางวัลนะแล้วก็พับใส่เน็บไปที่ชายชายผ้าแล้วก็ปล่อยให้หลับไปตัวเองก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จกี่ไม่ใช่เสร็จโก้เสร็จกี่ <c oughs> โคศกะตื่นขึ้นมาตอนเช้ากินข้าวแล้วลาแล้วครับขอบคุณมากครับเดินทางต่อไปถึงนู่นถึงนู่นก็โอ้โหผู้จัดการคนนั้นก็บอกว่าเศรษฐีนี่ให้เกียรติเรามากเลยงานระดับนี้เนี่ยนะ มันต้องเศรษฐีทํำนะมันถึงจะอะไรอะสมเกียรติใช่ไหมแต่เศรษฐีมอบหมายให้เราทําเนี่ยเราต้องจัดให้ยิ่งใหญ่ให้ไม่ไม่เสียหน้าเศรษฐีจัดงานใหญ่โตโมโหฬารเลยเพราะตัวเองเป็นผู้จัดการสมบัติสมบัติก็อยู่ที่เขาที่จะจัดการได้เยอะจัดงานอลังการลูกสาวเศรษฐีที่อยู่ระหว่างทางก็เรียบร้อยแต่งงานเรียบร้อยแล้วเออ โฆษกบอกว่าเอ๊ะเราควรจะทําอะไรต่อเศรษฐีผู้พ่อเนี่ยไม่ได้สั่งอะไรต่อเลยบอกว่าบอกให้มาเฉยๆเท่านั้นเองลูกสาวซึ่งเป็นเมียไปแล้วเนี่ยนะก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่อยู่ที่นี่ก่อนพ่อเขายังไม่สั่งอะไรก็อยู่ที่นี่ไปก่อนแต่ผู้จัดการที่จัดงานงานแต่งงานเนี่ยรายงานไปแล้วเศรษฐีก็ยิ่งเดือดดานไปใหญ่เลยความโกรธของคนเนี่ยนะจิตที่มีโทสะเนี่ยทุกครั้งที่มีโทสะเวทนาจะเป็นอะไร ระหว่างเวทนามีสามใช่ั้ยสุขทุกข์กับเฉยเฉยทุกครั้งที่มีโทสะเวทนาเป็นทุกข์เสมอทุกที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่แค่ทุกแค่ใจเท่านั้นกายก็พลอยได้รับผลทุกข์นั้นไปด้วยผลเสียนั้นไปด้วยก็เรียกหลังสารอะไร <c oughs> อะดรีนาลีนเหรอ <c oughs> ทำลายตัวเองเครียดกรดลงกระเพาะ กดไหลย้อนเส้นเลือดแตกในสมองเครียดจัดเลยคราวนี้ป่วยหนักนอนแบบอยู่กระเตียงไปไหนไม่ได้ส่งจดหมายไปหาโคษกะบอกว่าให้เจ้ามาเดี๋ยวนี้แกไม่ตายด้วยมือคนอื่นฉันจะฆ่าแกเองยังคิดฆ่าอยู่นะฉันคิดฆ่าแกมาสิบกว่าปีแล้วไม่สำเร็จสักที โดยการคิดว่าจะให้คนอื่นฆ่าคราวนี้ไม่มีใครฆ่าแกได้ฉันจะฆ่าแกเองให้แกกลับมาเดี๋ยวนี้แต่ใช้คำว่าโคสกะจงกลับบ้านเดียดเด๋ยวนี้บัตรเดี๋ยวนี้ภาษาโบราณหน่อยเมียเห็นจดหมายโคสกะอ่านจดหมายไม่ออกเมียก็รู้เลยว่าอ๋อพ่อเนี่ยซึ่งเป็นเศรษฐีเนี่ยคิดไม่ดีกับโคสกะอีกแล้วละ่ะ จึงจะเรียกโคสกากลับไปเนี่ยนะก็บอกโคสกากให้รอก่อน อ, อยู่ที่นี่แหละอยู่ที่นี่ไปก่อนรอจนอาการของเศรษฐีเนี่ยเพียบที่เพียบหนักแล้วนะให้คนสืบดูว่าอาการไปถึงไหนแล้ว <laughs> คนสืบดู <laughs> ดูว่าวันนี้ไม่รอดแล้วเนี่ยจึงไปเยี่ยมยอมเสียสถิติว่าไปเยี่ยมคนแล้วตาย <laughs> ไปเยี่ยมรู้ว่าวันเนี้ยไม่รอดแล้วพาโคสกากไปเยี่ยม นัดกับโคสกะว่าเวลาไปเยี่ยมพ่อเนี่ยให้โคสกะยืนอยู่ปลายเท้าตัวเองจะอยู่ข้างๆมีแผนนะมีแผนด้วยให้โคสกะยืนอยู่ปลายเท้าตัวเองยืนยืนอยู่ข้างๆโคสกะเป็นคนว่าง่ายเชื่อเมียไม่รู้กลัวเมียหรือว่าแต่เชื่อเมียยืนอยู่ปลายเท้าเมียก็อยู่ข้างๆโคสกะยืนอยู่ปลายเท้าสิทธิเห็นชัดนอนอยู่ก็โคสกะ โสดาเราอสมบัติของคือจะบอกว่าสมบัติเนี่ยไม่ให้แกไม่ให้แกแกในน้ำแต่คนทั่วไปรู้ว่าโคสกาเนีเป็นลูกเศรษฐีตายไปเนี่ยจะต้องได้รับสมบัติเศรษฐีก็รู้ว่าวันเนี่ยไม่รอดแน่แต่จะไม่ให้สมบัติแต่คําว่าไม่ให้สมบัติเนี่ยนะคํามันจะต้องแบบบอกว่ามีคําว่าให้ก่อน มันเป็นเรื่องของอะไรไวยากรณ์เราให้ไมอย่างเงี้ยนะประมาณอย่างเงี้ยนะพอแปลเป็นไทยว่าเราไม่ให้มันจะประมาณว่าสมบัติให้ไม่คำนะสมบัติให้ไม่เหมือนกับว่าคำว่าภาษาอังกฤษว่าเรดคาเรด a าเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยให้ตรงตัวก็แดงรถ แปลไม่ได้ต้องบอกรถแดงใช่ไหอันนี้คล้ายๆกันภาษาบาลีเนี่ยเวลาจะพูดว่าสมบัตินี้ไม่ให้ก็บอกว่าภาษาบาลีมันก็จะบอกสมบัตินี้ให้ไม่จะให้ก็หาไม่อเงี้ยพอพูดว่าสมบัติของเรานี้ให้จะบอกก็หาไม่เนี่ยนะลูกสะพ้ยรีบโผล่ก็ไปเลยโอ้พ อ, อย่าพูดอย่างนั้น <laughs> โอพา ทราบซึ้งมากเลยมือโผลเข้าไปนะเกาะอกอีมืออุดปากโอ้พ่อปุ๊บพ่อขาดใจตายพอดีตอนนั้นเลยโคสกะก็เลยเป็นเศรษฐีต่อจากเศรษฐีคนนั้นเศรษฐีคนเนี้ยจิตคิดเป็นอกุศลมาตลอดสิบกว่าปีไม่มีสติเลยแล้วตายอย่างทุเลศมาก ตายทุเลาดมากเราอย่าให้เป็นอย่างเขาอย่าให้เป็นอย่างเศรษฐีคนนั้นโคสะกะเนี่ยถูกถูกพยายามฆ่าบ่อยๆเพราะอาดีตชาติเนี่ยเคยทิ้งลูกตัวเองเคยทิ้งลูกตัวเองจะฟังไหมเนี่ยเกินเวลามาแล้วฟังไหมชาติก่อนของโคสะกะเนี่ยนะเป็นคนเกิดโรคระบาดในเมืององตัวเองต้องหนีออกมา นีอองมาเพื่อเดินทางรอนแรมเพื่อไปอีกเมืองหนึ่งระหว่างทางรอนแรมเนี่ยมีลูกไปกันนะสามคนตัวเองเมียและก็ลูกลูกยังเล็กนะเดินเองไม่ไหวก็ต้องอุ้มไปอุ้มไปเนี่ยเมียอุ้มบ้างตัวเองอุ้มบ้างส่วนใหญ่จะให้เมียอุ้มสามีที่ดีควรใช้เมียให้คุ้มหรือ เมียก็อุ้มนะเวลาเมียอุ้มลูกนี่ก็อุ้มด้วยความต้นุถนอมต้นุถนอมแต่เมียอุ้มตลอดทางไม่ไหวเพราะเมียก็เบา บ, บางผัวแข็งแรงควรจะแบ่งภาระเมียบ้างใช่ไหมก็พี่ไม่ไหวแล้วพี่อุ้มบ้างอ้าอุ้มไปอุ้มไปก็ชักเมื่อยก็รู้สึกว่าลูกนี่เป็นภาระมากทํางไงดีมองซ้ายมองขวาเจอพุ่มไม้วางทิ้ง ดีไหมเป็นภาระแล้วบอกไม่มีการมีอะไรที่ไม่เป็นภาระมีลูกก็เป็นภาระเมื่อ น, นั้นวางซะแต่วางการอย่างนี้นะมันเป็นวางที่แบบจิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเป็นอกุศลนะวางเอาไว้ทิ้งไว้ก็เดินตามเมียต่อไปเมียเดินเดินงอแงงงองแง ง, ง, ง, ง, ง, ง, งก็เดินอ้าวพี่ลูกไปไหนล่ะวางแล้วเราวางเสรยจแล้ว ภาระนั้นเราวางเสร็จแล้วไม่ได้ลูกของเรายังไงต้องเอาไปจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนจะลําบากแค่ไหนต้องเอาไปไม่ได้ไม่ได้พี่ไปเอามาพี่เอามาปรากฏก็ไปเอามาไปอีกไปอีกเดินไปเดินไปแอบวางอีกเป็นอย่างนี้สามครั้งครั้งสุดท้ายลูกตายจริงไม่ใช่สามครั้งเจ็ดครั้งวางงั้นเจครั้งแล้วสุดท้ายลูกก็ตายลูกก็ตายคนนี้ก็เลยจัดการ วางไว้เฉยๆฝังไม่ไหวหมดแรงไม่ได้กินข้าวมานานเดินไปเรื่อยๆจนถึงบ้านในโคบานบ้านในโคบานนะโคบานแปลว่าอะไรคนเลี้ยงวัวโคบานอินเดียเนี่ยไม่ได้ขี่ม้าเหวี่ยงเชือกนะนึกภาพดีๆนะคนละเรื่องกันนะถ้าขี่ม้าเหวี่ยงเชือกนะโคบานฝรั่งโคบานอินเดียเนี่ยก็คือคนเลี้ยงวัวคนเลี้ยงวัวคนนี้เนี่ยมีกระตังพอสมควรนะ มีพระปัจเจกพุทธเจ้าพักอยู่ใกล้ๆก็มาบินทบาตเขาก็ทำข้าวมะทุปายาตใส่บาทเหลือจากนั้นก็กินเองเหลือจะกินเองแบ่งให้หมาหมากินข้าวมะทุปายาตนะมีผัวเมียคู่เนียที่ทิ้งลูกจนตายแล้วเนี่ยมาถึงมาขออาหารกินเขาก็แบ่งอาหารอื่นให้ตัวเองเนี่ยได้กินอาหารอื่นจะได้กินอยู่แล้วนะ ระหว่างรออาหารอื่นเนี่ยเห็นหมากินข้าวมะทุปายาตมันหอมมะทุปาว่ามะทุเนี่ยแปล ว, ว่าหอมหุงด้วยข้าวเนี่ยหุงด้วยนมหอมมากนข้าวเดี๋วนี้ใครเคยกินข้าวมะทุปายาตบ้างหุงด้วยนมนะข้าวที่ไม่ขึ้นราด้วยนะข้าวเดี๋วนี้ต้องระวังนะระวังกินข้าวขึ้นรานะข้าวที่เขาเก็บนานๆดูดีๆนะ ข้าวข้าวเก็บนานๆตามสต๊อกต่างๆข้าวมะทุปายาดหงหอมไอคนที่ไม่ต้องถึงขนาดถึงมะทุปายาตเน่ยเห็นอะไรก็อยากกินอยู่แล้วยิ่งมะทุปายาดด้วยเนี่ยและเห็นหมามันกินน่ะอิจฉาหมาโคสโคสการในอดีตเนะ่ะเป็นชื่อโกตุฮาลิกะเห็นหมาแล้วอิจฉาหมาโอ้โหเกิดเป็นหมาบ้านนี้นี่ดีจริงๆเลย ได้กินข้าวมาทุกปลายาติอิจฉาหมาพอเขายกข้าวมาให้มาให้ทั้งผัวทั้งเมียคนละชามเมียเนี่ยด้วยความเป็นเมียที่ดีดีพี่พี่กินก่อนเมียที่ดีมากเลยพยายามหาอย่างนั้นบ้างนะเมียดีมากเลยพี่กินก่อนฉันรอให้พี่อิ่มแล้วฉันจะกินต่อ ที่ก็ไม่สนใจและตาลายหมดแล้วโซยอย่างเดียวเลยคนที่หิวอดมานานหลายหลายวันเนี่ยกินไปหนักๆมันไม่ย่อยเคยอ่านประวัติของของใครนะราชการที่หนึ่งใช่ไหมที่ไปรบแถวแถวพิจิตรเนี่ยแล้วก็ขี่ม้าเหนื่อยมากไปเจอสาวชาวป่านะขอน้ำกินทีแม่ชมยงขอน้ำกินที หญิงคนนั้นเนี่ยที่เป็นแม่ของอสมเด็จโตเอาน้ามาให้ก็โรยใบไม้ที่มันเล็กๆ เ, เอาไว้แล้วก็ให้น้ำกับนักรบคนนั้นเขาก็กินกว่าจะกินได้ก็ต้องเป่าเป่าก่อนเป่าไล่ใบไม้นะเพราะรู้ว่าคนที่หิวจัดเนี่ยถ้ากระดกเอื้อกเ อ, กอกเนี่ยจะจุกเสียดจะจุกเสียดเขารู้ว่า เขาคงเตือนไม่ได้หรอกเพราะว่าคนนี้เป็นเจ้าใหญ่ในโตคงเตือนไม่ได้โรยใบยไม้ทําไมเธอแกล้งฉันอย่างนี้นะทาไมเธอแกล้งฉันนี้อ๋อขออาภาัยนายฉันเห็นว่านายเหนื่อยมาเกรงว่านายเยจะเร่งดื่มเกินไปรีบดื่มเกินไปจะไม่ดีต่อสุขภาพจะทําให้จุกเสียดอ๋ออย่างนั้นเองเหรอโอ้โหเจ้านี่มีปัญญาดีมากจงเป็นเมียฉันจะได้ดี <c oughs> คืนนั้นค้างที่นั่นแล้วก็ให้รางวัลด้วยกัน ให้เป็นภรรยาโกตุฮาริกะไม่มีใครคอยโรยใบไม้เพราะว่ามันเป็นข้าวกินซะจนจุกแล้วก็ตายคืนนั้นเลยตายด้วยจิตด้วยจิตคิดอิจฉาหมาเลยเข้าท้องหมาหมาตัวนั้นแสดงว่าเป็นหมาตัวเมียเกิดมาเป็นลูกหมาเมียเนี่ยเห็นว่าลูกก็ตายผัวก็ตายก็เลยขออยู่เป็นคนรับใช้ในบ้านนั้น โกตฮลิกะเกิดเป็นลูกหมาแล้วก็ได้เป็นหมาแสนรู้เพราะชาติที่แล้วเป็นคนหน้าที่ของหมาตัวนั้นก็คือต้อนรับพระปัจเจกพุทธเจ้าโคบาเนี่ยฝึกหมาตัวนี้ด้วยความเป็นหมาฉลาดฝึกให้เวลาหุงข้าวเสร็จแล้วเนี่ยคราวนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ต้องมานั่งรอหุงข้าวเสร็จแล้วจะส่งหมาไปเห่าเรียกอหมานี่ฉลาดนะ ส่งหมาไปเห่าเรียกเหาเรียกพระเหาเรียกพระเสร็จพระมาถึงบ้านก็เห่าเรียกเจ้านายว่าพระมาแล้วภาษาหมานะก็คือเสียงเดิมนั่นแหละแต่หมาตั้งใจเห่าบอกว่าพระมาแล้วนายก็เข้าใจว่าพระมาแล้วข้ออ่านภาษากันถูกนะรู้ใจกันพระมาแล้วข้าวเสร็จแล้วไปไปเห่าที่พระก็บอกข้าวเสร็จแล้ว มาเห่าที่บ้านก็พระมาแล้วนี่แความแสนรู้เนี่ยบางทีพระท่านก็ลองใจลองใจหมามาหมามันจะรู้จริงๆริงไหมหมานําทางไปนะแกล้งไม่เดินไม่เดินไปตามหมาแก้งไปอีกทางหนึ่งหมาหันมามองอ้าวไปผิดทางไปคาบจีวรคาบจีวรมาทานีมาทาีเหา่าๆเจอตรงไหนที่เป็นพุ่มไม้ที่อันตรายก็จะไปเห่าไล่ไล่งูไล่สัตว์ร้ายเห่าไล่เหา่าไล่เป็นหมาฉลาด อยู่จนออกพรรษาพระปเจริญพุทธเจ้าท่านก็บอกลาบอกว่าท่านจะไปทําจีวรการทําจีวรเนี่ยเย็บคนเดียวลําบากก็ต้องไปหาเพื่อนที่เป็นพระปเจริญพุทธเจ้าด้วยกันที่เขาลูกนุษย์ท่านก็ลาเสร็จเอ๊ลาโคบาลแล้วก็เหาะไปเหาะไปเสร็จเนี่ยหมาด้วยความผูกพันในในพระมากพอเหาะไปรับตาแล้วก็เขาเรียกอะไรใจสลาย ใจสลายตายแต่ด้วยจิตที่เป็นกุศลไปเกิดเป็นเทวดาชื่อว่าโคสกัด้วยความที่เหา่าเห่าแบบกุศลนะเห่าบอกว่า อ, อ, อาหารเสร็จแล้วพระมาแล้วเห่าไล่งูงับเห่าบอกว่าผิดทางแล้วคิดเป็นกุศลตลอดทุกครั้งที่เหา่าเป็นเทวดาที่มีเสียงดังคอยบอกกุศลบอกเรื่องราวว่า ตอนนี้พระอยู่ที่นี่แล้วพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วเลย น, น, นะมีคนเป็นเป็นเทวดาที่มีเสียงดังเรียกว่าเป็นโคสกัมาเกิ ด, ดทีีก็กลายเป็นไอเด็กคนนี้แหละที่ถูกทิ้งที่ถูกทิ้งบ่อยๆเพราะว่าทิ้งลูกตัวเองที่ทิ้งแล้วที่ถูกทิ้งแล้วไม่ตายเพราะว่าตัวเองมีบุญทําบุญกับพระประเจพุทธเจ้าเอาไว้มันมีทั้งบุญทั้งบาปส่วนเศรษฐีไปเป็นไรต่อก็ไม่ทราบแต่ว่าคงไปไม่ดีแน่แ ตายด้วยน้ำมือของลูกสะพ้ยตัวเอง <laughs> จบด้วยนิทาน <laughs> นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้ามีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในใจให้รีบรู้อย่าปล่อยให้สิ่งนั้นคาอยู่ในใจถ้ามันคาอยู่ใน ใ, นใจมันมันดับเองเหมือนกันนะอากุศลนี่มันดับเองเหมือนกันแต่มันดับแล้วเกิดอีก ดับและเกิดอีกเศรษฐีคนนั้นเวลามองหน้าโคสกะเนี่ยเกิดอกุศลทุกครั้งเลยมองหน้าใจเกิดอกุศลทุกครั้งเลยแต่ไม่รู้รู้แต่หน้าไอ้โคสกะไอ้โคสกะไม่รู้ว่าตัวเองจิตขณะนี้มีโทสะเกิดขึ้นมีการวางแผนจนกลายเป็นอาฆาตพยาบาทหนักเข้าจนวางแผนซ้าไปซ้ามาสร้างภัยให้กับตัวเอง คิดให้ร้ายคนอื่นแต่ตัวเองได้รับผลร้ายนั้นเองเราเราอย่าประมาทว่าเราเป็นผู้คิดแล้วคนอื่นไม่รู้เราคิดให้ร้ายเขาแล้วคนอื่นไม่รู้เราสามารถทําได้แนบเนียนขณะเศรษฐีนะมีมือมีคนมากมายที่ยอมที่จะทําเพื่อเศรษฐีอยู่หลายๆคนเนี่ยยังทําไม่สําเร็จเลย แล้วถึงสำเร็จนะก็ยิ่งยิ่งมีอากุศลมากขึ้นด้วยความที่หมกมุ่นอยู่ในอากุศลอย่างนี้เนี่ยไปไม่ดีแน่นอนนะแต่โคศกดไม่รู้เรื่องแต่มีคำถามนิดหนึ่งว่าที่เมียทารรอย่างนั้นเน่ดีแล้วหรือยังที่เมียทำอย่างนั้นดีแล้วหรือยังตอบยากเนาะตอบยากถ้าเอาศีลมาจับเนี่ย จะบอกว่าผิดศีลไหมแต่ว่าควรทำไหมควรทำไหมหรือไม่ควรทำเนี่ยมีเรื่องเทียบอีกเรื่องหนึ่งจะทันไหมเนี่ยวันนี้แถมหลายนาทีหน่อยนะเคยฟังเรื่องนางชื่ออะไรจำไม่ได้ละที่เป็นลูกสาวเศรษฐีนะแล้วเจอเจอโจรแล้วก็หลงรัก แล้วก็ให้พ่อไปไถโ่โจรมาไอโจรมาเป็นลูกเขยแล้วก็ไม่ทิ้งนิสัยโจรอยากจะฮุบสมบัติทั้งหมดเลยเนี่ยนะให้เมียตัวเองเนี่ยแต่งตัวให้สวยคืออยากจะฆ่าเมียนะเมียบอกว่าสงสัยตัวเองจะเอาตัวไม่รอดแล้วเนี่ยก็บอกว่าคือโจร น, นั้นก็วางแผนว่าให้เธอเนี่ยแต่งตัวให้สวยๆนะเราจะไปข้างนอกกันแล้วเดี๋ยวจะฆ่าไอเมียคนนี้แล้วจะเอาสมบัติไป เมียก็แต่งตัวสวยไปไปถึงที่ที่หนึ่งโจนก็จะฆ่าคือผัวตัวเองเนะั่นแหละจะฆ่าล่ะลูกสาวเศรษฐีก็รู้แล้วว่าโอ้คนเป็นโจนนี่ยมันไ ม, ไม่ไม่ทิ้งนิสัยเดิมทำยังไงจะเอาตัวให้รอดทำยงไงจะเอาตัวให้รอดก็บอกว่าพี่ตอนที่พี่มาเนี่ยนะฉันได้บนบานเทวด า, าไว้อั น, นี่โกหกเหมือนกันนะฉันบนบานเทวดาเอาไว้ว่าขอให้เราได้อยู่ด้วยกัน ฉันได้พี่มาแล้วเนี่ยฉันอยากจะขอบคุณเทวดาอยู่กับพี่มาได่มีความสุขทุกวันเลย mm. อยากจะขอบคุณเทวดาในในถ้าพี่จะจะฆ่าฉันแล้วเนี่ยฉันก็ยอม mm. พี่จะฆ่าฉันเอาสมบัติเครื่องประดับทั้งหมดเนี่ยเอาไปก็จะเอาไปก็ไม่ว่ากันขอให้ฉันได้ได้รำบูชาเทวดาสักหน่อย mm. รำบูชาเทวดาเนี่ยแล้วก็ฉันจะขอเข้ามาพี่ว่าถ้ามีอะไรล่วงเกิน ให้ให้อภัยกับชั้นด้วยนะไอโจนก็ยินยอมเออคือผู้หญิงคนตัวคนเดียวแล้วเราเป็นโจนแข็งแรงซิกแพ็คยังไงไม่พ้นเงื้อมือเราอยู่แล้วนะก็ยอมนะตัวเองก็ถือดาบถือดาบภรรยาก็ไล่ลำไล่ลำไปนะด้วยความเป็นลูกเศรษฐีเนีเรียนวิชาหน้าตัดสินมาเหมือนกันไนะล่ลำลำไปลำมาบอกว่าสุดท้ายละจะต้องทาประทักสินบนรอบ พี่ยืนตรงนี้หน่อยให้มันได้โลเคชันหน่อยนะตรงนี้ตรงเนี้ยตรงนี้เลยเหมาะเลยจะพลังส่งถึงเทวดาไปอยู่เนี่ยตรงนี้ม่เป็นเหวนะตรงนี้ก็เป็นตรงนี้เป็นเหวให้ยืนตรงนี้มันจะเปิดเปิดช่องสู่ประตูสวรรค์ <c oughs> ก็ลำ้ลำลําวนรอบการบูชาการแสดงความเคารพของอินเดียเนี่ยมีหลายระดับมีตั้งแต่พนมมือไหว ก็เรียกว่าอะไรอัญชลีวันทาอภิวาทนี่สอย่างนะอัญชลีคืออย่างนี้วันทาคือยกขึ้นมาอภิวาทคือกราบยิ่งกว่าอภิวาทก็คือทําประทักษิณทําประทักษิณ น, นี่เป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงเลยประทักษิณสามรอบปทักษิณ น, นี่คือเอาด้านขวาเข้าหาสิ่งที่เราเคารพเหมือนเราเวลาไปเวียนเทียนตามโบสถ์เวียนรอบเดินเหมือนเดินตามเข็มนาฬิกา ให้โบด์อยู่ทางขวาของเรานี่ลูกสาวสถีก็เดินวนวนรอบหนึ่งสองพอรอบที่สามแอนน์นกำลังเพลินทีบถีบครนี้ใจเนนึกถีบโจรไม่ได้ถีบสามีทีบโจรตกเหวตายถามว่าผิดศีลไหม ผิดซีนไหมผิดควรทำไหมควรมันต้องดูสถานการณ์เหมือนกันนะปรากฏว่าทีบโจนั้นตกเหวไปนะเทวดาสาธุกการดูสิมันสมควรตายแต่ต้องขึ้น ขึ้นเขาเรียกว่าไรแคปชั่นเอาไว้ตุกขึ้นตัววิ่งเป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเดินแบบ <c oughs> น, นั้นพอเขารู้ว่าเขาทาผิดแล้วเนี่ยนะตัดสินใจผิดตั้งแต่ว่าเอาโจรมาเป็นสามีแล้วตัวเองก็ทาผิดด้วยการฆ่าไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปไหนละไปหาสำนักพิษุณีไปบวชเป็นพิษุณีและเป็นพระอรหันด้วย <c oughs> บาปส่วนบาปนะ บาปส่วนบาปตอนคิดฆ่าก็ผิดศีลเหมือนกันนะแต่ควรไหมควรมันไม่สมควรที่จะต้องตายด้วยหน้ามือโจรแล้วไม่ได้อะไรในชาตินี้ใช่ไหม ถ, ถ้าต้องเอาตัวรอดจากตรงนั้นไปก่อนแล้วก็ไปหาภิกษุณีไปบวชซะนะได้เป็นพระอาหารหันต์ด้วยแหละดูสิเพราะฉะนั้นดูตามความสมควรนะ <laughs> <laughs> ไม่ได้บอกให้ไปผิดศีลนะฮะ <laughs> ผิดศีลสิบาปด้วยเขาต้องได้ได้อะไรอานิสงส์ได้วิบากนั้นด้วยแต่ควรทํำไหมดูสถานการณ์ตอนนั้นนะใช่ไหมอันนี้ผู้จ้างลองไปคิดเอง <c oughs> เรื่องราวต่างๆเนี่ยนะมันทีมองแง่เดียวมองยากนะมองแง่เดียวมองยากมอง ในแง่ชีวิตของหญิงที่แสนดีคนหนึ่งนะอุตส่าห์ไปไถ่ตัวไอ้โจรที่กําลังถูกประหารแล้วนะมาเป็นสามีเสวยสุขอยู่ในบ้านแล้วมันเล่นไม่ซื่อคิดจะฆ่าเขาคิดจะฆ่าตัวเองแล้วตัวเองเอาชีวิตรอดออกมาทํายังไงจะเอาชีวิตให้รอดจากน้ำมือโจรคนนั้นตอนนี้มันดูแล้วมันไม่ใช่สามีแล้วมันคือโจรทํายังไงจะให้รอดพ้นจากโจรคนนั้นแม้ฆ่าก็อาจจะต้องฆ่าแหละ ถามว่าผิดไหมผิดบาปไหมบาปมีวิบากไหมมี <c oughs> ไม่ได้บอกว่าไม่ผิดนะแต่สถานการณ์อย่างนั้นแล้วมันตัดสินใจยากแล้วละ่ะที่ที่ท่านพระอ า, าจารย์พูดถึงศีลขาดศีลทะรุใช่ไหมคะศีลย่างศีลพ้อยเนี่ยอันนี้ก็หมายความว่าระดับของความบาปนี่มันก็ลดหลันลงมาหรือว่าบาปเท่าเทียมกั น, นเจตน า, าด้วย อันนี้มีเจตนาด้วย อ, อันนี้ดูเหมือนกับว่าเราไปดูที่คือการการะทำเนี่ยมันเริ่มด้วยเจตนาใช่ไหมคะมแล้วมันก็มีวิธีการแล้วมันก็มีผลตรงที่พูดถึงสินขาศินทะลุสินด่างสินพ้อยเนี่ยเราไปดูที่ผลอย่างเดียวใช่ไหมคะเราดูที่ผลการการะทำเนี่ยเจตนาเท่ากันเจตนาส เ, นาเรอเนี่ยเจตนาเหมือนกัน มีน้ำหนักเท่ากันใช่แต่เราไปดูที่ผลว่ามันเป็นเรื่องของการขาดการทะลุการด่างกันพล้อยถ้าไม่ให้มีไม่ให้มีความผิดเลยเนี่ยก็ไม่มีเจตนาเจรฆ่าซะเลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วไม่มีความผิดแต่แต่ซีเคสอันนั้นคือเจตนามีเท่ากันแต่ผลออกมาต่างกันใช่ทนี้โดยทั่วไปศาสนาพุทธเนี่ยบาปบาปเนี่ยนะคะจะให้ความสาคัญกับเจตนาใช่ เพราฉะนั้นเจตนาเท่ากันแต่ผลไม่เท่ากันถามว่าบาปเท่ากันไหมคะในสี่เคสนี้มันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอีกอันหนึ่งด้วยนะความเพียรในการทํานั้นหรือจิตสมมุติว่าสี่เคสนี้เท่ากันเลยความเพียรคือสะสมมาเท่าเท่ากันมีความโหดร้ายเท่ากันมีความโหดร้ายมากแค่ไหนทรมานมากแค่ไหนค่ะะเวลาทําให้ยุงตายเนี่ยคนปุ๊บตายอีกคนหนึ่ง ความเครียดแค้นตรงนั้นนะยุงตายเหมือนกันด้วยแต่เจตนาต่างกันเจตนาจะให้ตายนะแต่ว่าอะไรรายละเอียดของความแค้นตรงนั้นมันมากน้อยไม่เท่ากันเพราะว่าการสะสมของอคุโสนในจิตมันต่างอคุโสนตรงนี้มันใช้เวลานานสะสมเข้าไปเรื่อยๆความแค้นการตียการอะไรต่างๆจะตีหมาให้ตายเนี่ยทรมารมันก่อนเนี่ยกับตีโพวตายเลยก็ไม่เท่ากันด้วย นี่ในสี่เคสนั้นถ้าสมมติว่าเจตนาเท่ากันสะสมอกุศลเจตนาเท่ากันแต่ผลที่มันออกมาเนี่ยมันหนักเบาไม่เท่ากันถามว่าบาปเท่ากันไหมเป็นบาปด้วยกันแต่วิบากไม่เท่ากันเป็นบาปด้วยกันแต่วิบากไม่เท่ากันเข้าใจไหมมันขึ้นอยู่กับรายละเอียดในการลงมือ ค่อยๆเชื่อดค่อยๆเฉือนทรมานไปแน่นอนไมวิบากไม่เท่ากันก็คือจริ้มพวตายเลยก็อีกแบบหนึ่งกับกับอีกเคสหนึ่งนะคะเรื่องหมาเหมือนกันหมาแล้วอย่างอย่างเคสที่พระอาจารย์ยกขึ้นมานะคะคือคือเคสแรกนี้ตั้งใจเลยจ้องเลยเมื่อไหร่มันจะมาใช่ไหมคะแล้วก็มีไม้ใกล้ๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็ตายกับอีกเคสหนึ่งเนี้ยก็คือไม่ได้คิดจะฆ่ามันแบก มีความพอใจไม่พอใจไม่มีเก็บสะสมอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่เคยถึงแต่ขั้นนั้นประเอินไอ้วันนั้นผู้ชายคนนั้นอาจจะมีอารมณ์เสียมาจากที่อื่นอะไรอเงี้ยนะคะพอเห็นมันมาปุ๊บมาอยู่ใกล้ๆฟาดมันสไตล์ในชั่ววูบค่ะในชั่ววูบก็วางแผนมานานก็ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะว่าเจตนาวางแผนมานานกับชั่ววูบก็ไม่เหมือนกันแต่ผลออกมาเท่ากันคือมันตายแต่ผิดไม่ผิดผิดบาปไหมบาปแต่วิบากไม่เท่ากัน วิบากก็ไม่เท่ากันถึงแม้ว่ า, าผลออกมาจะเท่ากันผลของบาปหนักเบาไม่เท่ากันค่ะขอบคุณค่ะทุกครั้งที่คิดวางแผนเป็นบาปแล้วทุกครั้งที่คิดวางแผนนะเป็นบาปแล้วไอ้นั่นชั่ ว, วูเพิ่งบาปใช่ไหมตลอดเวลาที่เดินมาเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยนะแต่อีกคนนึงวางแผนมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกูจะทำหมาตายเหมือนกันนะแต่อเนี่ยคิดวางแผนมาตั้งแต่ปากซอยแล้วนะจนถึงตัวหมาเนี่ย เป็นบาปมาตลอดเลยแต่ไอคนนี้เดินคิดถึงแฟนใจลอยมันไม่ได้คิดที่จะจะมาทำฆ่าหมาแต่หมาหมาชั่ววูบหมาตายไม่เท่ากันผิดไม่ผิดแต่ไม่เท่ากันใช่ไม <laughs> <laughs> ที่ดีสุดเลยคืออย่าไปคิดร้าย <laughs> ตั้งแต่คิดร้ายเลยไม่คิดร้ายแล้วก็จึงไม่ทำร้าย คิดร้ายขึ้นมาแล้วให้รู้ทันมีสติเพราะฉะนั้นตัวตัวสติเนี่ยเป็นตัวที่มีประโยชน์มากตั้งทําความรู้ตัวให้ได้รู้ให้ทันให้ได้ศีลก็จะรักษาง่ายขึ้น <c oughs> <c oughs> หวังว่าคงไม่มีสถานการณ์จวนตัวอย่างลูกสาวเศรษฐีต้องคอยร่ายรำอยู่ปากเห <c oughs> ว้ราะนั้นทีก็ต้องเอาชีวิตตัวเองรอด ในกรณีนั้นเนี่ยลูกสาวเศรษฐีคิดอยู่ว่าทำยังไงจะให้ชีวิตจันรอดจากโจรคนนี้วิธี ท, ที่วิธีที่จะรอดจากโจรวิ่งหนีคงวิ่งไม่ทันโจรวิ่งเร็วกว่ากำลังมากกว่าแรกๆอาจจะวิ่งได้ได้ไม่กี่ก้าวไม่รอดอยู่แล้วไม่มีวิธีไหนเลย <laughs> นอกจากจะใช้ปากทางแห่งสวรรค์ช่วยเท่านั้น <laughs> เทวดาสรรเสริญว่าหญิงนี้เป็นบัณฑิตดูสิเอาตัวรอดจากสถานการณ์อันเลวร้ายอันนี้ได้พูดง่ายๆสมควรตาย <laughs> แต่คนผู้ตายนั้นมีคุณแค่ไหนสัตว์นั้นมีคุณแค่ไหน <laughs> ถ้ามีคุณมาก บาปมากมีคุณน้อยก็บาปเหมือนกันแต่น้อยฆ่าพระถ้าพระนั้นเป็นพระอระหันต์มีคุณมากไหมมีมากไม่ได้คุณต่อลูกศิษย์ไม่ใช่คุณต่ อ, ค, ตอคนทั่วไปธรรมดามีคุณต่อทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีคุณต่อโลกมีคุณมากบาปมากเป็นเนื้อนาบุญที่จะให้คนได้สร้างบุญไปทําลายซะแล้วบาปมาก คุณของผู้ที่เราทำลายไปยิ่งมากยิ่งบาปมากแต่นี่อยู่ไปก็รกโลกหรือก็จะไปทำลายคนอื่นเขาเนี่ยนะบาปไหมบาปเหมือนกันก็มีเหมือนตํารวจยิงคนร้นายวิสามันบาปไหมก็บาปเหมือนกันแต่ควรทำไหมในหน้าที่เขาก็ก็ต้องทำเหมือนเดิมทหารอย่างเงี้ยต้องทำไหมต้องทำเหมือนกันถ้าจะไป ข้าศึกบุกมาแล้วไม่ได้ฉันถือศีลปล่อยให้เขาบุกมามันก็ทำหน้าที่ตัวเองไม่ได้ใช่ไหมเขามอบหมายให้มารักษาเอกราชอธิปไตะย <c oughs> ถ้าไม่อยากฆ่าไปทำอาชีพอื่นมาบวชก็ได้ <c oughs> หรือไปทำอาชีพอื่นมีให้เลือกเข้าใจไหมเหมือนบางปัญหาบางอย่างเนี่ยก็ตอบยากว่าควรทำไม่ควรทำตอบว่าผิดไม่ผิด พอถึงว่าควรทํำไหมเนี่ยมันต้องคิดหนักแล้ใช่ไหมก็มต้องลองไปคิดเอาเองยอมสละชีพไหมหรือว่าเอาชีวิตเอาไว้ก่อนเพื่อไปทําดีอย่างอื่น <laughs> อย่างนางรูปสาวเศรษฐีเนี่ยเอาชีวิตเอาไว้ก่อนเพื่อไปทําดีอย่างอื่นแล้วทำดีจนเขาสุดเลยเ ป, เป็นพระอาหารหันต์เลยเมื่อกี้มีคําถามหนึ่งอะคะ่ะหนูอยากจะถามว่า อย่างตอนที่องค์คุลิมาณนะคะก่อนจะบวชอะคะ่ะที่ฆ่าคนได้999ศพแล้วพอไปบวชอะคะ่ะทีนี้ช่วงที่เดินบินทบาทอะคะ่ะอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าที่ท่านถูกคว้างป่าถูกทําร้ายจากชาวบ้านถือว่าเป็นการใช้กรรมสมัยก่อนที่เคยทําร้ายแล้วคนที่เป็นชาวบ้านแล้วทําร้ายท่านแบบเนี้ถือว่ากําลังสร้างกรรมใหม่ในเรื่องเนี่ยชาวบ้านาไม่ได้ตั้งใจจะขว้างท่านมันคว้างอย่างเช่นว่าเด็กกาลังคว้างกระลอก ไม่โดนกระลอกไปโดนหัวท่านเนีนะเด็กไม่ได้ตั้งใจจะไปคว้างท่านที่มันโดนหัวท่านเพราะวิบากของท่านแล้วอย่างนี้ไอ้คนนี้กำลังหมาวิ่งมาคาบเนื้อไปเอาไม้คว้างหมาหมาวิ่งไปแล้วแต่ไปโดนขาท่านเนี่ยเข้าใจไหมมันเป็นวิบากของท่านที่จะได้รับการกระทบทางกายส่วนใจท่านนั้นถ้าเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ไม่กระทบ จะต้องได้รับวิบากมีความเจ็บปวดทางกายแล้วสมมติสมมติว่าเออเราเคยสร้างกรรมแบบนี้นะคะแล้ววันใดวันหนึ่งเราจะต้องรับผลและมีคนมาทำแบบนี้กับเราเนี่ยแสดงว่าคนที่ทำกับเราแบบนี้ข เ, ขเขาก็กำลังสร้างกรรมใหม่ถ้าเขามีเจตนาคือถ้ามองที่เราอย่างเดียวเนี่ย<ม>เราจะต้องได้รับผลอย่างนี้จะต้องได้ถูกสัมผัสที่ใบหน้าแรงๆสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะ แต่ใครจะสัมผัสไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ล่ะแต่ไอคนที่มาเอามือมาสัมผัสใบหน้าเราแรงๆเนี่ยนะถ้าเ้ามีเจตนาร้ายเป็นบาปก็เป็นบาปของเขาส่วนผลที่เราจะต้องได้รับสัมผั ส, ผสอันนี้เนี่ยเป็นวิบากของเราถ้าเราได้รับวิบากแล้วรู้ว่าอันนี้เป็นวิบากของเราจบจบที่เราแต่ถ้าเรารับวิบากอันนี้แล้วเกิดกิเลสไม่พอใจ อยากให้สัมผัสนี้ไปโดนเข้าบ้างอย่างเงี้ยนะมันก็สร้างสร้างเวรซึ่งกันและกัน<ะ>เขาเรียกว่ามีวิบากเกิดกิเลสทํากรรม<ะ>และรับวิบาก<ะ>แล้วเกิดกิเลสไปทํากรรมวนอย่างนี้เรียกว่าวัตตะพระอาจารย์แล้วหนูเคยได้ยินว่าสมมุติว่าใครเนี่ยมาว่าเราหรือมาทําให้เราผูกใจเจ็บหรือเงี้ยเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเรา ความคิดนี้ถูกต้องไหมคะเพราะคนทุกวันนี้ก็จะพยายามทําใจเวลาเราเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีต่อเช่น <laughs> มีคนมายืมตังเราแล้วเราไม่ได้คืนอ๋ <laughs> อ <laughs> เขามาเปะเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราหรือว่าเราคิดว่าเราเคยสร้างกรรมแบบนี้มาคือเราเคยยืมเงินแล้วเราเราเคยไม่คืนคนอื่นแล้วคนนี้คือเป็นผู้ที่มาทําให้เราต้องได้รับวิบากจากตรงนี้ที่เราเคยไปทํากับคนอื่นมันเหมือนกันไหมคะกับความหมายว่าเจ้ากรรมนายเวรกับเรากําลังรับวิบากกับที่เราเคยทำอย่างนี้ยคะ่ะมันไม่เหมือนแท้นะ คำว่าเจ้ากรรมในเวรที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นอะไรอะเป็นอะไรที่มันอธิบายยากก็เลยบอกว่ามันคล้ายๆก็มันมีคนจองเวรกันอยู่เนาะและไอคนนี้มันเป็นเจ้ากรรมในเวรจริงไหมเนี่ยใครจะรู้ได้เรื่องที่ว่าเราทำกรรมอย่างนี้แล้วจะมีคนนั้นมาให้ทำอย่างนี้กับเราเนี่ยนะผู้ที่จะบอกได้เนี่ยต้อง มียานละเอียดระดับพระพุทธเจ้าอ่ะคือกรรมต่างๆเนี่ยไม่สามารถอธิบายด้วยชาติเดียวได้ซ้ําไปชาติที่แล้วก็บางทีอธิบายไม่ได้ด้วยต้องไปชาติน่นโ่นโ น, น, น่จึงจะบอกได้ว่าอ๋อที่โดนอยู่เนี่ยนะเป็นวิบากของชาตินน้นพระพุทธเจ้าวันสุดท้ายเนี่ยที่ว่ากระหายน้ําอยากได้น้ําดื่มสั่งให้อานาน์ไปตักน้ํามานา์ไปเห็นน้ําขุ่นแล้วไม่ได้ตักมา กระหายน้ําแล้วไม่ได้ดื่มน้ําเนี่ยก็เป็นวิบากอันหนึ่งที่เป็นอกุศลที่ท่านเคยเป็นคนเลี้ยงวัวคนเลี้ยงวัวที่แสดงว่านานมากแล้วไม่ใช่ชาติไม่ใช่ชาติพระเวสสันดรไม่ใช่ชาติพระเตมีด้วยซ้าไปนานเป็นนู่นเลยยังอุตส่าห์มาให้ผลดูสิแล้วคนที่ระลึกชาติไม่ได้ขนาดนั้นเน่ยจะรู้ไหมว่าไอ้ที่เราต้องหิวเนี่ยเพราะกรรมอันไหนที่เราต้องกระหายเนี่ยเพราะกรรมเมื่อ ชาติไหนแต่ท่านบอกว่าที่ท่านต้องมากระหายน้ําแล้วไม่ได้ดื่มน้ําเพราะว่าเคยเป็นนายโคบานวัวจะกินน้ําเห็นน้ํามันขุนก็กระตกไม่ให้วัวกินแต่วัวนั้นหิวน้ําด้วยเหตุนั้นกรรมอันนั้นแม้จะห่วงวัวเป็นเป็นด้วยใจที่ห่วงวัวว่าอย่าไปกินน้ํานั้นน้ํามันขุนแต่วัวนั้นน่ยหิวน้ําแม้ขุน่นมันก็บรรเทาทุกขเวทนาของวัวได้ แต่การกระทนั้นเกิดวิบากขึ้นมาว่าเมื่อวันสุดท้ายท่านกระหายน้ำแม้พระอานนท์จะมีความปรารถนาดีต่อผู้เจ้าเต็มหัวใจแค่ไหนก็ไม่ตักน้ำมาถวายมากลับมาทูลพระเจ้าสเสด็จไปหน่อยเถิดข้างหน้าแม่น้ำใหญ่ใสสะอาดใช่ไหมใครจะอธิบายได้ว่าใครเป็นเจ้ากรรมนายเวรใครเป็นวิบาก จากการกระทงของตนเท่านั้นส่วนเจ้าการในเวรในแง่ของการจองเวรอาฆาตปัจจบาทเนี่ยก็คงมีก็คงมีแต่หน้าที่ของเราคือถ้ารู้แล้วก็ให้อภัยเราเองอย่าไปเป็นเจ้าการในเวนของใครก็แล้วกันเนาะรักพรนะทำบุญกันแล้วก็อุทิศให้กับหมู่ญาติของเรา ที่เคยเป็นญาติกันมาถ้าท่านรับรู้ว่าเราได้ทำบุญแล้วได้มีการรักษาศีลมีการฟังธรรมเจริญภาวนามีการให้ทานบุญทั้งหลายที่เราได้ทำแล้วมีความปีติใจสุขใจแบ่งความสุขความปีติอ น, นั้นให้กับหมู่ญาติของเราท่านทั้งหลายที่รับข่าวบุญนี้แล้วจงอนุโมทนา มีความปีติใจอิ่มใจสุขใจเหมือนที่ได้ทาเองสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่จงอ น, อนุโมทนาบุญอันนี้ขอให้บุญอันนี้จงนาท่านให้พ้นจากความทุกข์อ น, นั้นเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิไปสู่พบภูมิที่เป็นสุคติที่ท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปเราทั้งหลายในที่นี้จะดาลึกอยู่เสมอว่าจะไม่ประมาทในชีวิตจะศึกษาถ้อยคา คำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อความพ้นทุกข์ของทุกทคนตั้งใจยะท่าวริวหาหบราปริโปเรนติสากรังห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวาอิโตจินังเปตานังอุปกับปฏิทานที่ทานุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปูทติละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้น อิจิตังปฏิตังตุมหังออก้อยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขิบประเมวสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำมริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพน็ญมณชโชติรโซยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี ขวัตุสัพพังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุปาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุปาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสง์ สทาสดิี่ปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อ